อภานาระหะมูลายะปฏิกัสณาว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่อภานเข้าหาอาบัติเดิมท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วควรแก่อภานต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันและกระผมนั้นประพฤติมานัดแล้วควรแก่อภานต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมจะปฏิบัติอย่างไร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 ภิกษุทั้งหลายสงพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมอย่างนี้ละภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัดหกราตรีอย่างนี้ละภิกษุอุทายีสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตธิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้สงเห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้